ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าความสงบสั ง, งกัดคือไม่ต้องทำอะไรนี่หัวก็ไม่ปวดไม่สนใช้ความคิดยใมยากนั่งเรียบซาบทางอายตนะเฉยเฉยไม่ต้องวิ่งไปหามันเลยอยู่เฉยเฉยแล้วมันมากระทบ <c oughs> มากระทบไห้รู้อ๋อยองดูนะไม่ต้องออกไปวิ่งหามันจะมากระทบให้รับรู้อย่างเงี้ยอยู่เฉยเฉยถ้าถ้า ถ้าคนหนึ่งคนใดเนี่ย น, นี่พูดเป็นคนเป็นคนนะนะว่าคำว่าคนหนึ่งคนใดเป็นคำสมมุติอ่ะนะสื่อสารกันถ้าเคยใช้งานเป็นในวิภาทีเนี้ยเวลาโยมเจ็บไข้ไม่แต่ใบเขาใช้วิธีเนี้ยอ่ะอันนี้พูดถึงกรณีหนักๆกันกนะเวลาโยมป่วยเนะยมก็ถ้าใช้เป็นเนี่ยใช้เป็นวันเนี้ยวันหน้ามันก็ใช้เป็นก็คืออยู่ไม่ต้องทำอะไรมันเจ็บก็รู้ไปมันรู้เองอยู่แล้ว ไม่ต้องเอาตัวเราไปรู้ไม่ต้องเอาตัวเราไปคิดรู้เนี100่ยร้อยเอร์เ็นเลยเนี่ยรู้แบบนี้แล้วสบายที่สุดนอนทขอหนักนอนติดเตียง<อ>ก็ปล่อยวางความรู้สึ ก, ก<อ>แล้วก็ยอมรับความจริงก็ <ừ> สังขารกับผิวหนังเออเนี่ยมันจะไม่ทุกข์จะไม่ทุกข์เลยเปจลืมปจนลืมปวดเออแล้วดูถึงความสบายความสงบอ่ะมันต่างกันเลิบเลยนะกับไปที่เราปฏิบัติเพื่อจะเอา แต่ถ้าอันนี้เป็นเงื่อนไขนะโดยรวมก็คือว่าสมมติสภาวะแบบเนี้ยมันอาจจะมันจิตอาจจะผุดมาเป็นความคิดใช่เลยใช่เลยให้เห็นตัวนั้นเลยให้เห็นความคิดที่มันมันคิดมันคิดอะไรก็ไม่รู้แหละบางทีมันบอกว่าใช่เลยปฏิบัติอย่างนี้สอนถูกหรือเปล่าให้เห็นความคิดเลยเนี่ยแค่นี้ก็ถูกล้านเปอร์เซนต์เลย มันคิดอะไรก็แล้วแต่ระหว่างที่นั่งเงียบเนี่ยมันคิดแล้วก็คิดสงสัยบ้างอะไรแต่ให้เห็นความคิดนี่สุดยอดวิชาเลยไม่ต้องไปเอาความคำตอบจากความคิดแค่เห็นที่มันกำลังคิดสุดยอดแต่ถ้าเราอยากเอาคำตอบมันยาวมันคิดยาวแต่ถ้าเห็นมันคิดแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนให้เห็นจิตแต่สังขารให้เห็นจิตปรุงแต่งอัอนี้เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่รู้ถูกทาง แค่นี้คำตอบที่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ไม่สนใจไม่สนใจคําตอบเลยเอาแค่เห็นแค่นี้แหละเป็นมรรคเลยอ่ะเป็นมรรคเลยจิตเห็นจิตเลยอ่ะจิตรู้ไปเห็นจิตคิดจิตอ่าจิตเห็นจิตคืออะไรจิตมันมีจิตอันหนึ่งที่ทําหน้าที่รู้ทําหน้าที่รับทราบทําหน้าที่เห็นอ่าแล้วจิตดวงหนึ่งเป็นจิตปรุงแต่งนะก็เลยจิต จิตรู้เนี่ยไปเห็นจิตปรุงแต่งจบเลยจิตเห็นจิตจบที่จิตจบที่ใจเพราะมันเกิดในใจเกิดในความว่างเปล่าเนี่ยเวลานั่งเงียบๆแล้วก็เห็นความคิดปั๊บปปั๊บโอ้เหมือนคว้าเลบเหมือนคว้ารองเลยลับปั๊ปั๊บปั๊บปันั่นแหละก็เรียกว่าเห็นความเกิดดับในจิตเลยเห็นเห็นจิตเกิดดับ ไม่ต้องมีเราไปเป็นผู้เห็นเลยเราไม่มีมีแต่จิตเห็นจิตจิตเห็นจิต <laughs> ถ้าเข้าใจหมดแล้วตั้งแต่พวกนนี้สงงใ่ไม่มีเรื่องคุยนะา <laughs> จริงนะไม่แน่นะไม่ไม่มีคำถามพอจะถามปั๊บมันเห็นจิตไปแล้วเนาะ เห็นจิตคิดจิตสงสัยไม่ต้องการคำตอบแค่เห็นจิตมันอยากจะถามมันคิดจบแล้วพอไปที่ไหนครูบาอาจารย์ก็คิดบอกก็ไปดูจิตดิอ๋อเลยนึกขึ้นได้โธ่โเราเห็นจิตมาตั้งแต่มาหาอาจารย์แล้วลรวมาหาทําไมอ้าวก็เลยก็เลยจบไปในตัวคือเขาเรียกว่าเข้าใจเองปฏิบัติเป็นก็จึงพึ่งพาอาศาัยตนเองตามความรู้เนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรจะถามพอจะถามปั๊บเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้ว ถ้าถามไปอาจารย์ก็บอกดูจิตก็เราเห็นมาตั้งแต่ก่อนถามแล้วเพางั้นก็ไปถามทําไมวะเออก็เลยดูจิตเห็นจิตดูจิตเป็นจิ ต, จตคือเรื่อเห็นจิตมันกุงสร้างก็เห็นเ็นสงบก็เห็นค่ะวิธีเห็นทั้ ง, งานแต่ไม่ทราบว่ามันเป็นเห็นจิตทีนี้เราเราจะชี้ให้เห็นว่าอเออ เมื่อกี้ใช่ว่าความพุ่งซ่านใช่ไหมเมื่อกี้นะเห็นจิตจิตจิตจิตพุ่งซ่านอันนี้เป็นอารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้นะแต่มันมีจิตอีกอันหนึ่งคือเป็นผู้รู้อารมณ์นะนึกออกไว้ล่ะเมื่อกี้เพราะว่าบอกว่าเห็นความพุ่งซ่านแสดงว่าความพุ่งซ่านเป็นอารมณ์เป็นสิ่งถูกเห็นแล้วก็อีกอันหนึ่งความสงบใช่ไหมความสงบก็เป็นอารมณ์ทั้งความพุ่งซ่านทั้งความสงบล้วนแต่เป็นสังขารปรุงแต่งยังไม่มีอะไรเที่ยง ถึงแม้กระทั่งความสงบที่เห็นก็ยังเป็นสังขารเพราะจิตดวงหนึ่งเป็นรู้แต่จิตดวงหนึ่งเป็นรู้ไอจิตดวงนั้นแหละถ้าเป็นจิตที่ไม่ยึดเป็นจิตที่ไม่ยึดความคงทีนเป็นจิตที่ไม่ยึดความสงบเป็นจิตหลุดพ้นไอจิตที่ไม่ยึดนั่นแหละเป็นจิตหลุดพ้นใช่เข้าไปรู้เออไอจิตที่เข้าไปรู้แล้วไม่หลงยึดไม่หลงยึดว่าความคงที่ไม่ดี หรืออารมณ์นั้นดีจังเลยไม่ยึดจิตนั้นเป็นจิตได้แต่รู้น่ะเขาเรียกว่าเป็นจิตหลุดพ้นเป็นจิตพุทธะเป็นจิตเดิมแท้เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสเป็นจิตที่ไม่มีตัวไม่มีตนนะเห็นไปเรื่อยๆใช่นั่นแหละเห็นไปเรื่อยๆแต่ระวังดีๆพอเห็นไปเห็นมากลายเป็นเราเป็นผู้เห็นเลยทีนี้อ่าเพราะมันไปเพ่งไงมันจะไปทําบางอย่างก็กลายเป็นแทนที่เดิมมันเป็นจิตธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเป็นธรรมชาติ พอดูไปดูมากลายเป็นเราเป็นขึ้นมาใหม่ไม่รู้มันมาตรงไหนเป็นผู้เห็นเลยเพ่งเลยทีเนี้ยเพ่งเลยหลงอีกจนกว่าจะมีจิตดวงรู้มาเห็นเราอีกทีงว่าเพ่งไปแล้วอ่าพอเห็นว่าเพ่งไปแล้วปั๊บความเพ่งก็สลายหายไปสิ่งถูกรู้ก็หายไปเกี้ยงเลยก็เลยเป็นความว่างเปล่าขนาดนั้นอ่าพอเป็นศูนย์ใหม่ก็ไปเห็นอีกว่าศูนย์แล้วไอความศูนย์นั้นก็กลายเป็นสิ่งถูกเห็นต่อมาอีกก็เป็นกลายเป็นของไม่เที่ยงอีกเพราะฉะนั้นเนี้ยมันจะวนอยู่อย่างเนี้ย เพราะนั้นจิตหลุดพ้นคือจิตที่รู้ที่เห็นอารมณ์แต่เป็นจิตที่ไม่ยึดจึงเป็นจิตหลุดพ้นเป็นจิตพุท ธ, ธะแต่จิตดวงนี้ถ้าถูกรู้เมื่า อ, อะไรอกีกมันก็กลายเป็นเป็นอารมณ์อีกแล้วมันจะมีจิตดวงรู้ที่เหนือขึ้นไปอีกที่ไม่เป็นอารมณ์โอ้มันเป็นชั้นชั้นยากยากอืมมันจะเออมันจะมีเขาเรียกว่าเหนือจากเหนือจากจิตรู้เนี่ยเหนือขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี้ยตรงนี้เป็นจิตพุท ธ, ธะเป็นจิตที่หลุดพ้น ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงนี้ใตรงนั้นไหมสมมติว่าไอ้จิตที่เหนือยสมมติสมมติสมมติว่ามีใครไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยภาวนาไปเลยจะไม่มีการความคุ้งซ่างอีกเลยหรือเปล่าคะหรือว่าความฟุ้งซางความฟุ้งซ่างเป็นอารมณ์ย่อมมีได้แล้วแต่เหตุแม้จะมีจิตพุทธะแล้วก็อาจจะก็จะมีได้แล้วแต่เหตุใช่แล้วแต่เหตุเพราะเหตุนี่มันเป็นความคุ้งซ่างนี้เป็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้แต่จิตพุทธะเนี่ยไม่เปลี่ยนรู้ได้อย่างเดียวไม่เป็นอารมณ์ จิตพุทธะไม่เป็นอารมณ์หมายความว่าไม่มีใครที่จะจะเห็นจิตพุทธะได้สมมุติระหว่างคุยกันเนี่ยมีโยมชำเลืองไปดูจิตพุทธะปั๊บเมื่อไรนะไอ้จิตพุทธะที่โยมเข้าใจนะกลายเป็นไม่ใช่พุทธะไปแล้วเพราะเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วแค่เหลือไปเหลือไปทําความเข้าใจเรื่องจิตพุทธะเนี่ยไอ้นั้นแหละความเป็นพุทธะก็ไม่ใช่อีกเพราะยังเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นพุทธะเนี่ยไม่มีวันที่จะเหลือบหาได้เลยเพราะว่ามันเป็นความที่ว่างเปล่า แล้วในกรณีที่เราภาวนาไปเรื่อย<ม>ๆเนี่ย น, นะคะเราภาวนาเห็นโจุดเหตุภาวนาแล้วเราก็เห็นเห็นความพุ่งสร้างความโกรธความอะไรก็แล้วแต่เห็นแล้วก็ไปเรื่อย ๆ, ๆไอ้ตรงเนี้ยไอค้ความโกรธความพุ่สร้างจะลดลงไปเรื่อยๆเรือ่อยหรือเปล่าสมมติว่าคนนั้นเขาได้ภาวนาได้ดีคือการลดลงเนี่ยมันก็แล้วแต่เป็นตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันเช่นคนที่มีอนุสัยเป็นเขาเรียกว่ามันติดตัวเป็นคนขี้โกรธ เนาเป็นคนขี้โกรธอะไรกระทบหน่อยก็โกรธแล้วก็โกรธแต่ถ้ามีปัญญาก็จะเห็นความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเป็นอนัตตาเขาก็พ้นทุกข์ได้ทั้งๆที่เขาเห็นความโกรธอ่ายั ง, ย, ง, ย, งยังมีความโกรธแล้วเขาเห็นใช่แต่คนที่เป็นคนที่ไม่ขี้โกรธเลยใครพูดยังไงก็ไม่โกรธก็มันเป็นอย่างนั้นก็ความโกรธไม่มีให้เห็นก็เขาก็รู้ได้ว่าเขาไม่โกรธนะแต่รู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งถูกรู้คือมันเป็นอันหนึ่ง ทีนี้ว่าเอาละเมื่อเข้าใจธรรมะเมื่อตัวตนไม่มีเนี่ยยังไงความโกรธมันก็จริงๆอะมันถ้าหลวงปู่ดูลัณฑ์บอกว่ามันมีแต่ก็ไม่ได้เอาไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าทำหลอดใดมันเกิดมาแต่เหตุถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยความโกรธอาจจะไม่มีแต่ถ้ามีคนดา่าปุ้งปุงปังปังปังอาจจะมีอาการเขาเรียกว่าเป็นอาการทางจิตเป็นอาการอาการเนี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งใครห้ามก็ไม่ได้เป็นอนัตตา เมื่อมีแต่ว่าจิตรู้เนี่ยมันไม่ได้หลงยึดว่ากโกรธเนี้ยเป็นตัวเป็นตนมันก็จึงพ้นไปจากความโกรธก็เป็นจิตหลุดพ้นอยู่ดีไม่ใช่จิตผู้โรนะรกรธเห็นนะหลวงพ่อกรุงเขียนจึงบอกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีเท่าที่มันเห็นได้แต่ไม่หลงไปเป็นสูตรเดียวกันหมดเลยเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมนะเราไปหมายว่าไปหมายว่าปฏิบัติธรรมถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องไม่โกรธอย่างเนี้ยเป็นการหมายไว้มันไม่ถูก เพราะว่าเป็นการรู้ก่อนรู้คือมันเป็นเรื่องของอนาคตบ้างละ่ะเป็นเรื่องอะไรบ้างละ่ะอีกอันหนึ่งผู้หมายคือใครอะ่ะก็คือเราแสดงว่าถ้ายังมีหมายเอาไว้เนี่ยยังมีตัวเราเป็นผู้หมายว่าต่อไปจะไม่โกรธอย่างนั้นมีตัวเราเลยถ้า ง, งั้นวางตัวเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้อนาคตก็ไม่มีด้วยจบความสงสัยในเรื่องความโกรธก็จบหมดเลยเพราะตัวเราไม่มีเป็นผู้สงสัยคือตัวเราไม่มีพอตัวเราไม่มีเนี่ยอะไรก็ไม่มี แต่ถ้ามันมีขึ้นมาก็รู้เท่าทันว่ามันเป็นสังขารนี่เกิดอีกและเออคือถ้าเราเทียบจากจากการเริ่มปฏิบัติธรรมมา น, นะเพราะว่าการรู้การเห็นอารมณ์เนี่ยมันยังไม่ชํานาญมันยังไม่ค่องแคล่วว่องไวเมื่ออารมณ์อะไรใดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็กําเริบได้เพราะความไม่เห็นมันแต่ทีนี้เมื่อเราฝึกจเจริญสติจเจริญปัญญาเนี่ยมันก็จะรู้เร็วขึ้น อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะรู้เร็วขึ้นพอรู้เร็วขึ้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความโกรธจากที่มันเคยโกรธแบบแรงมากมันก็จะน้อยลงเพราะมันรู้ทันเสียก่อนนะแต่เมื่อพัฒนาจิตเข้าไปถึงขั้นไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งว่าแค่ขยับติด๊เดียวกระดิกอ่ะติ๊กนึงรู้แล้วแล้วมันก็หายไปนะมันก็ดับไปเพราะอะไรเนียตรงเนี้ยมันเป็นการเออเขาเรียกว่าได้ เจริญสติปัญญามันรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันมันก็เห็นติดเดียวแต่ถามว่าจะไม่ให้มันเกิดเลยได้ไหมเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้เพราะมันแล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมันมาแต่เหตุแต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยสติปัญญาเนี่ยได้รู้เท่าทันแค่ไหนถูกไหมถ้ารู้เท่าทันเร็วมันก็ติ๊กเดียวแล้วหมดแล้วไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นแบบตัวใหญ่อะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแหละผลมันเป็นผลมันเป็นผลจากการที่ ปฏิบัตินี่แหละคือมีสติมีปัญญารู้เท่าทันมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วก็จะเอาผลเลยว่าตั้งใจอย่างเดียวเช่นตั้งป้อมอย่างเดียวเนะว่าจากเนี้ยฉันจะต้องไม่โกรธไม่โกรธไม่มีทางเลยเพราะอันนี้ยเขาเรียกว่าเอาผลจะเอาผลว่าคือตั้งใจว่าจากเนี้ยฉันจะไม่โกรธฉันไม่โกรธเนี่ยพูดได้แต่จริงๆอ่ะไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นไอโกรธไม่โกรธนะนะอย่าไปไปตั้งเป็นเป็นธงทําหน้าที่คือทําเหตุ อ่าให้รู้สึกตัวให้รู้มีสติอยู่เป็นประจำบ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งมันมันรู้เท่าทานเองแหละแล้วผลมันก็ให้ผลตามเหตที่ที่ทำไว้อย่างเงี้ยอืมทีนี้คนส่วนมากก็มันเขาเรียกว่าไหไปทางลัดอะ่ะจําได้ท่องได้แล้วก็จะตั้งทงอย่างเดียวเนาะเช่นบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นนะมันทำทำใจตั้งแต่ตอนนี้เนาะจะไม่โกรธจะไม่โกรธอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สติปัญญาหรอกมันเป็นสมถะบ้างเป็นคมบ้างเป็นการตั้งป้อมบ้างเป็นการระมัดระวัง ซึ่งก็โอเคก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่เจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือให้เห็นสังขารทั้งปวงที่มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัตินะถ้ามันมีความโกรธอย่าได้กังวลใจไปเลยเพราะความโกรธเนี่ยเป็นอุปกรณ์สอนธรรมให้เห็นว่าความโกรธเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าเราศึกษาส ม, มะถะพวกที่เป็นๆกันนะ่ะนะไปสะกดเอาไว้ไม่ให้โกรธไม่ให้โกรธอย่างเนี้ย ไม่เกิดปัญญาแต่มันเหมือนกับว่าจะไม่ทุกข์แต่จริงๆริอะมันไม่ทุกข์เพราะกดข่มยินทับญ้าก็ว่าเพราะนั้นเราก็ต้องต้องต้องเลือกดูว่าจะเป็นหินทับญ้าหรือจะให้มันเกิดแล้วก็เห็นเอาพิจาณาเอานะแต่บางทีมันทนไม่ได้เนาะการที่ได้เห็นอย่างเนี้ยมันทนไม่ได้มันจะตาย<ม>ก็โอเคก็ใช้ก็เอาทับญ้าไปก่อนเนพราะว่ามันเอาไม่อยู่แล้วเนาะเออก็ทับญ้าแต่ว่าถ้าถ้าทับญ้าทุกครั้งไปเนี่ยอย่างเงี้ใช้ไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเกิดว่า อาจารย์คะคือเป็นเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นนี่คือเอาตัวรู้มาดูรูปนามใช่ไหมคะมคือคือเขาน้อยทำอยู่นี่คือเอาผู้รู้คือจิตรู้ตื่นหดเบิกบานอยู่นะคะแล้วก็เอามาดูรูปนามความคิดแล้วก็รูปที่มันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดที่มัเจ็บขาอะไรอย่างี้แล้วมันก็ดับไปแล้วตัวนี้ก็เกิดใหม่ เ, มเปืงเจ็บเจ็บเรื่เป็นตัวรูปใช่ไหมคะแล้วก็ นำที่ความชิดตรุงแต่งความดีเอออกุศลกุศลความคิดดีคิดไม่ดีมันก็เกิดดับเอามาดูตรงนี้เช่นค่ดูไปดูไป <c oughs> ดไปเรื <c oughs> <ๆ>่อยคือที่ที่ที่นั่นอยู่มันก็มีปัญหาตรงนี้แหละ <c oughs> ว่าอาการดูเนี่ยอย่างที่เราบอกกันนะ <c oughs> ว่าเราว่าตัวเราเป็นผู้ดูหรือว่าตัวสติสัมปชัญญะที่เขาเห็นของเขาอ่ะนะใช่ค่ะถ้าสติสัมปชัญญะเขาเห็นของเขาเนี่ย มันก็ไม่มีปัญหาเลยนะมันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมันเป็นธรรมชาติที่เขาเห็นของเขาเห็นการเกิดการดับแต่ว่าเอาเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยเนยว่ามันมีคนคนหนึ่งเป็นผู้ถามเราคนนั้นคือโยมโยมเมชีเนี่ย<อ>วางตัวเราเหลียวนี้เลย <c oughs> เพอวางเมชีปั๊บเนี่ยมันหมดปัญหาเลย <c oughs> หมด <c oughs> ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเลยน้อย <c oughs> ไม่ไม่เอาตัว ตัเองไปถามผู้จัดนี่ไงเราก็เลยเขาเรียกว่าสกิปพอสกิปปั๊บถ้ามันเก็ตปั๊บเนี่ยโอ้พอหมดตัวเราเนี่ยปัญหาไม่มีเลยอ่ะหมดเลยดับสนิทเลยขอบพระคุณค่ะเนี่ยธรรมะสดต้องเป็นอย่างนี้นะทีนี้บางคนเนี่ยฟังไม่เข้าใจหาว่าเราเนี่ยไปเมคเขาเขาอยากรู้อย่างไปตอบอย่างแต่จริงเราเป็นธรรมะปัจจุบันผู้สงสัยคือใครคือเราเป็นผู้สงสัยใครเป็นคนถามคือเราเป็นผู้ถามเพราะฉะนั้นเนี่ย วางเสีผู้สงสัยเนี่ยคือเราก็ดับกลัวเราเสจบเอา้าผู้ถามเมื่อกี้เป็นเราพอตอนนี้ตัวเราไม่มีแล้วใครจะยังถามอยู่ผู้ถามก็ไม่มีก็เลยดับไปแล้วขนาดจิตหนึ่งว่าตัวเราไม่มีแล้วพออีกหน่อยเดี๋ยวตัวเรามันก็โผล่มาอีกอยากจะถามอีกก็ก็รู้ทันนี่แถวนี้มันเริ่ม ร, รู้ทันแล้วนี่ก็เลยเป็นเอา้าถามทำไมวะถามไปเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องกลับไปถึงตัวเองอีกแล้วอย่างเงี้ย ก็เลยนั่งรู้อยู่อย่างนี้ยุดท้ายก็นั่งนิ่งไปหมดเลยนั่งภาวนาไงนี่ไม้เด็ดเลยไม้ตายเลยตรงนี้ที่รู้ไปต้องถากเออไม้เด็ดเลยไม้เด็ดเลยเอ้าทีนี้เราเรายกตัวอย่างไอ้ปัญหาของของพวกเราบางคนก็มีนะเช่นสมมติว่าคำสอนบอกว่าไม่เผลอไม่เพ่งน้อสมมุตินะแต่พอปฏิบัติปั้งนั่งยกมือ แล้วอยู่ๆมันก็ถามขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยนี่มันเพลงล่งหรือเปล่าวะเนี่ยมันปฏิบัติถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกไหมอ่าถ้าถามอย่างเนี้ยทางออกมันทํำยังไงโยมไม่ต้องไปออกคําตอบว่ามันเพ่งหรือไม่เพง่งแต่ให้เห็นว่ามันพูดมันคิดยังไงเห็นความคิดพอเห็นความคิดปั๊บเห็นความคิดโอ้เห็นความคิ ด, อคคดพอเห็นความคิดแค่นี้ระหว่างที่เห็นความคิดเนี่ยไอความสงสัยเนี่ยมันมันดับไปเลยเพราะมันกําลังเห็น อารมณ์ปัจจุบันคือเห็นความคิดพอเห็นความคิดปั๊บมันมัวแต่เห็นความคิดมันถามมาเลยก็เห็นหมดเลยก็เห็นความคิดเห็นความคิดเพราะฉะนั้นที่จะถามว่ามันเพ่งหรือมันเผลอเนี่ยไม่ใช่ประเด็นถ้ามีตัวรู้อยู่ถ้ารู้อยู่อย่างนี้แหละไม่เผลอไม่เพ่งแล้วรู้อะไรรู้ว่ามันคิดเดี๋ยวมกกวอาองยกตัวอย่างประกอบที่อันนี้อันนี้กรณีไม่สงสัยในเรื่องไม่เอไม่สงสัยในเรื่องของการเผลอรือการเพ่ง แต่มันมีสภาวะนะเช่นเดียวกันั่งยืมเงนั่งปิดตาลืมตาก็แล้วแต่แล้วมันความสงบมันสบายมันเนียนมันละเอียดนะมันว่างนี่นะอะ น, นี่เขาเรียกว่าจิตไปสัมผัสความว่างแล้วอะไปรู้ความว่างแล้วแต่โดยธรรมชาตเิเมื่อจิตรู้ความว่างเนี่ยจิตเนี่ยมันจะต้องปรุงแต่งในรูปของความคิดมันก็ปรุงแต่งมาแบบไหนมันบอกว่างม ตอนเนี้ยโยมอยากไปอยู่กับความว่างโยมไม่เห็นความคิดเพราะความว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเงียบแต่ความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเคลื่อนไหวคือจิตมันเคลื่อนเพราะฉะนั้นต้องดูจิตที่เคลื่อนไหวอย่าไปแช่กับความว่างให้กลับมาเห็นความคิดเลยพอเห็นความคิดก็มันจะคิดยังไงก็ได้แต่เห็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่สนใจความว่างพอไม่สนใจความว่างความว่างอันนั้นซึ่งเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยมันก็หายไปจึงเห็นแต่ความคิด คนที่ปฏิบัติผิดเนี่ยพเยพราะอะไรเพราะไปแช่ความว่างแต่ไม่เห็นความคิดอันตรายมากเลยนะตรงเนี้ยเพราะเข้าใจผิดนึกว่าความว่างที่ถูกเห็นเนี่ยมันเป็นอารมณ์นิพพวิหะอะไรนะนิพพานบ้างเป็นนุ่นเป็นนี่ก็ได้แต่ไม่เห็นความคิดนะสิไม่เห็นความคิดเทกับไม่เห็นตัวเองไงตัวเองกําลังคิดอยู่กําลังบอกว่ากําลังบรรยายอยู่ว่าโอ้วยยความว่างดีจังเลยความว่างโอ้ว่างนิพพานเนี่ยตัวเองกําลังคิดอยู่เท่ากับไม่เห็นตัวเองที่เป็นผู้คิดเอาตัวรู้ที่มาแก เอาตัวเอาตัวรู้มาแก้ตัวไหนก็เอาเดี๋ยวจะใช้คําพูดยังไงเขาเรียกว่า <c oughs> ให้เห็นตัวเราผู้คิดส่วนใหม่นะตอนแรกมันเป็นความว่างเบาสบายเนาะอ่าแล้วต่อมามันมีตัวเราเป็นผู้คิดแหละคิดว่าโอ้โดีจังเลยดีจังเลยอารมณ์นี <c oughs> ว้ว่างว่าง <c oughs> ตรงนี้แหละให้รู้สึกตัวคือให้เห็นตัวเราที่เป็นกําลังคิดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ตัวเราใช่ไหมท่านไม่ได้สอนให้ไปไปรู้ความว่างนี่ให้สอนให้รู้ตัวเราตัวเรากําลังทำอะไร ตัวเรากําลังคิดก็เห็นตัวเราเพราะฉะนั้นอย่าไปแช่กับความว่างเด็ดขาดนะตรงนี้คนที่แช่ความว่างนี่ป่วยเลยนะป่วยคิดไม่เป็นเหมือนกับว่าไปแช่ไปแช่แช่แ ช, แช่ทั้งๆั้งที่ตัวเองพูดอยู่บนอยู่ก็ไม่เห็นเหมือนกับในชีวิตจริงเลยโยมลองดูนะชีวิตจริงมันเป็นยังเป็นอย่างนี้สมมุติว่าโยมเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมเห็นความว่างมานะสมมุตินะเห็นความว่างแล้วเบาสบาย แต่ตอนนี้ความว่างมันหายไปหมดแล้วมันมีสัญญาจําได้ว่าว่างแล้วมาพูดกับคนอื่นเลยมาพูดแป๊บๆบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยตอนนี้เราไม่คิดอะไรเลยเราว่างมากเราไม่คิดว่างอะไรนะั้นไปจํามา <c oughs> แต่ตัวเองกําลังพูดอ่ะไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งต้องเห็นคือเห็นที่ตัวเองพูด <c oughs> ไอ้นั้นอะมันเป็นสัญญาจําได้มันว่างแต่เอามาพูดแต่ตัวเองกําลังพูดที่เป็นปัจจุบันอะไม่เห็นหรือแม้แต่บางคนเวลาคุยกันนะ เช่นส่ัยตอนปฏิบัติธรรมมันไม่คิดเนาะเขารู้เนี่ยว่าไม่คิดแล้วจําได้ว่าไม่คิดแล้วก็มานั่งคุยกันบอกเนี่ยตอนนี้เราไม่คิดอะไรเลยหมาฟุ้งอยู่นะพลาดอย่างแรงเลยนะเพราะไม่เห็นปัจจุบันที่กําลังพูดกําลังคิดกําลังคุยอยู่ไม่ไม่แค่นั้นอาจารย์อกปฏิบัติได้เออะเราปฏิบัติได้คือมันไปจําไอ้ของเก่าไงว่ามันว่างมันไม่คิดแต่ปัจจุบันเนี่ยกาลังพูดแจ้วแจ้วแจ้วอยู่เนี่ยว่าไม่คิดไม่คิดอ่ะโหมาฟงจะตายไป มพรนั้นต้องกลับมารู้ปัจจุบันที่กําลังท<ม>ำกําลังพูด<ม>กําลังคิดเลย<ม>เออนี่ไงที่บอกว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็รู้กําลังพูดเวลาไปเล่าอะไรใครฟังอะ่ะ <c oughs> ไอ้นั่นมันเป็นสัญญาจําได้แต่การเล่าเนี่ยปัจจุบันต้องให้รู้ปัจจุบันว่าเนี่ยกําลังเล่านะ <c oughs> แต่ถ้ารู้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเอามาเล่าจริงๆอะ่ะถ้าไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่ต้องเล่าเพราะว่าอะไรความจริงไม่มีแล้วไอ้สิ่งที่ไปพบไปเห็นมาไม่มีเออมีแต่คําพูดให้เขาฟังตกลงใช้ประโยชน์ไม่ได้ แต่ถ้าเล่าสภาวะเรื่องธรรมะอะไรก็มาพูดกันอดีตบ้างอะไรเพื่อให้เห็นสภาวะเนาะแต่ยังไงก็ตามให้เห็นปัจจุบันที่กําลังพูดถ้ามันไม่พูดก็มันกําลังคิดถ้ามันไม่คิดก็มีกําลังกระทํำก็คือกายก็มีสามอย่างทําทางกายพูดทางปากคิดทางใจทําพูดคิดให้รู้สึกแต่เร า, ามันไม่รู้ปัจจุบันดิอย่างของโยมนี่นะนี่เป็นเป็นธรรมะเมื่อกี้ใช่ไหม โยมพูดปัจจุบันถามปัจจุบันแต่เอาเรื่องราวอาดีตมามาคุยเราก็ฟันทงเลยอะ่ะบอกเราเนี่ยวางตัวเราที่ที่เป็นผู้พูดพอผู้พูดคือสังขารปรุงแตง่ตงถูกไ้มปกเป็นอย่างนี้ปับ๊บโยมมีสติปัญญาเนึกได้โผลขึ้นมา <c oughs> โอ้ยรู้เลยว่าเมื่อกี้มันหลงไงเนี่ยเป็นหลงเป็นรู้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> จบไปขณะจิตหนึ่ง <c oughs> อ่เพราะธรรมะเนี่ยเป็นขณะจิตนะ <c oughs> ขณะจิตเนี่ยเออหลุดแล้วพ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ เป็นใหม่อีกต้องหับรู้ต้องทัน่างเออโอ๊ยธรรมะนี่มันจะติดฟังอยู่เรื่อยแหละเช่นนะเราบอกว่าในเรื่องพูดถึงเรื่องตัวเรานะเราบอกว่าพอพูดน้ำก็หลงแล้วไม่กล้าพูดพอไม่กล้าพูดตัวเราก็จะไปติดฟังอีกแล้วบอกว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวตัวเรามันจะเป็นตัวเราเนาะทั้งนั้นเราไม่พูดดีกว่าอ้าวมันก็เป็นติดเราเป็นผู้ไม่พูดอีกแล้วโอ้ยติดฟังหมดเลยเพราะฉนั้นต้องรู้ทันหมดเลย มันเป็นอาวิชาหมดเลยพวกนี้เป็นสังขารปรุงแ ต, งต่งแล้วก็เป็นอาวิชาน่ากลัวนะธรรมะเนาะแต่ทีนี้รู้ทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นยังไงได้แต่รู้ <laughs> เดี๋ยวจะส่งเพลงให้ฟังเพลงนี้ดี <laughs> มากเลย <laughs> คิดอยากได้นิพพานคิดอยากได้นิพพานไม่รู้ว่าตัวเองมีความอยากถูกไหมเอมันมีความอยากในตัวเลยนะอยากได้นิพพาน่ะมีใครเป็นคนอยากนึงเรา ถ้ามีเราก็มีความอยากอยากได้นิพพานแต่ไม่ดับตัวเราเสียก่อนแล้วมันจะได้ยังไง<ม>เพราะฉะนั้นต้องดับตัวเราเสียก่อนดับความเป็นเราเสียก่อนดับความอยากเสีก่อนแล้วนิพพานไม่ต้องถามหาแต่ตอนนี้มีตัวเราอยากได้อยากได้ถูปฏิบัติไปเถอะ <c oughs> ถ้ายังมีตัวเราอยู่นะต้องไม่มีตัวเราสูตรพระพายยะเนี่ยถูกต้องแล้วถ้าเคยเคยฟังนะ <c oughs> เออให้พึ่งคำเนีวยวก็เลยเมือ <c oughs> ม่อเมื่อฟังก็สักแต่ว่าฟังเ <c oughs> มือ่อ เมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเ ม, e ม eng, eng, ื่อรู้แจ้งรู้แจ้งไงนะคือรู้หมดแล้วก็สักแต่ว่ารู้แจ้งถ้าในการใดแลนะเป็นสักแต่ว่าอย่างเงี้ยตัวเธอก็จะไม่มีตัวเธอไม่มีในโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์ความหมายในที่นี้จุดอะไรที่สุดคือตัวเธอไม่มีตัวเธอไม่มีเพราะฉะนั้นที่รู้ก็ไม่ใช่ตัวเธอรู้ ที่ได้ยินก็ไม่ใช่ตัวเธอได้ยินที่นั่งฟังก็ไม่ใช่ตัวเธอนั่งฟังที่ทราบทราบทางหูทางตาทางอะไรก็ลที่ทราบทราบทาบก็ไม่ใช่ตัวเธอเป็นผู้ทราบรวมถึงความการรู้แจ้งด้วยรู้หมดแล้วรู้แจ้งไม่มีก็สงสัยก็ไม่มีตัวเธอการดแลที่เป็นอย่างเนี้ก็จะไม่มีเธอในในโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแหงผ้าพายะฟังแค่นี้บรรลุธรรม อาสวะต่างๆดับหมดเลยเฮรยอา้าวแป๊บหนึ่งนะแต่เี้เราไม่รู้โยมจะไปฉันทา ง, งานู้นได้ไหมได้ทันเนาะใช่ไห ม, ไนนไหมแต่เรา <Okay. S 2> เราเร า, เราเตรียมมาแล้ว <Okay. S 2> เอาไปว่าเอาเป็นว่าสรุปในตรงนี้ง่ายๆเลยนะถ้าตัวเราไม่มีเมื่อไหร่นั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์จึงให้มีสติรู้เท่าทันรู้สึกตัวว่าคราวใดที่มันมีตัวเราขึ้นมารู้เท่าทันแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสังขาร 就，嗯，啊，哎呀，哈哈